สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ Innovation for Life นะคะนะวัตรกรรมเพื่อชีวิตค่ะซึ่งมาพบกับดิฉันคุณกนิตทองเงาซึ่ง Innovation for Life ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นรายการที่เป็นสื่อกลางเป็นเวทีกลางนะคะเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลที่เป็นการคิดค้นนวัตกรรมในศาสตร์สาขาต่งตางๆของนักวิชาการนักวิจัยในสถาบันการศาึกษาและก็ในเนยงานต่งตางๆในภาครัฐภาคเอกชนซึ่งต้องบอกว่าโน้ตฮาวเหล่านี้เนี่ยเป็นการคิดค้นของนักวิจัยไทยทั้งสิ้นเลยที่ผ่านมาแล้วก็ออกอากาศใน innovation for life สัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่า เป็นนวัตกรรมดีๆที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่รักสวยรักงามไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะคะซึ่งได้มีนักวินในใจัยไทยเนี่ยค่ะสกัดสเต็มเซลล์จากสมูกข้าวแล้วก็ได้เป็นเซรั่มชะลอการเกิดริ้วรอยซึ่งเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาคแพงด้วยต้องบอกว่า เซลล์ที่สกัดจากที่ได้จาก จ, ากจมูกข้าวนี้เป็นผลมานนะะการคิดค้นของดอรนิสากรแสวันค่ะซึ่งท่านอยู่ในทำงานอยู่ในสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะจังหวัดเชียงรายรายละเอียดต่างๆจะได้คุยกับอาจารย์ดรนิสากรกันค่ะอีกสักครู่เดียวค่ะมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คาปรึกษาด้านสมุนไพร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 Innovation for Life ในวันนี้ค่ะขอต้อนรับอาจารย์ดรนิราสากรไส้วันค่ะซึ่งคันทำงานที่สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นที่จะพูดคุยรายละเอียดต้องบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้โดนใจมากมเลยค่ะ การสากัดสเตมเซลล์จากสมูกข้าวซึ่งเป็นเซรั่มชะลอการเกิดริ้วรอยออต้องบอกว่าเรื่องของข้าวเนี่ย ม, มันมีประโยชน์แล้วก็ในประเทศของเราส่งข้าวออกออทั้งทั้งบริโภคในประเทศแล้วก็ส่งออกเป็ น, เ ป, นเป็นเรียกว่ามาอย่างช้านานนะคะอาจารย์<ม>ทีนี้อะไรที่ที่ทำให้อาจารย์เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เอ๊ะมีมีไอเดียว่า ม, มันน่าจะมีสักอย่างหนึ่งที่สามารถสกัด เป็นเซลเนี่ยมาจากชั้นหมู่ข้าวแล้วก็มาเป็นไซนัมชะลอการเกิดริร้รอยเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์ได้แรงบันดาลใจหรือได้ไอเดียมาจากไหนคะอยากให้เล่าให้ฟังค่ะก็ในอุตสาหการรมเครื่องสําอางนะคะส่วนใหญ่เราจะซื้อสารที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางค่ะจากต่างประเทศเนาะแล้วช่วงที่ เริ่มมีแนวคิดงานนี้ค่ะก็คือช่วงนั้นเนี่ยเครื่องสํำอางสเต็มเซลล์ cell. คิดว่าน่าจะเคยได้ยิ น, นะคะ่ะที่เขาเคลมว่า เ, เครื่องสํำอางสเต็มเซลล์ cell, พวกนี้จากมาเประเทศจากแ p ปเปิ้ล อ, อะไรประมาณนี้นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะแล้วผู้ผลิตเครื่องสํำอางค่ะก็จะต้องซื้อสารสกัดที่เป็นสเต็มเซลล์ของพืชตรงเนี้ค่ะจากต่างประเทศ ทีนี้ก็มีผู้ประกอบการพอดีของที่สํำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสอําอางแม่ฟ้าหลวงอะค่ะจะมีสอหลักสูตรปริญญาโทที่กรุงเทพด้วยอะค่ะซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการก็เลยทําให้เรามหมายถึงอาจารย์ในสนาํานักเนาะก็จะได้คุยกับผู้ประกอบการว่าตอนนี้เทรนในตลาดเป็นยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรอยากให้นักวิจัยช่วยวิจัยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอออยากจะให้ทํา สารส ก, กัศสเต็มเซลล์จากพืชหน่อยโดยเฉพาะพืชไทยประมาณนี้ค่ะอาจารย์นนก็เลยคิดว่าในพืชไทยทั้งหมดเนี่ยก็ข้าวน่าจะเป็นจริงในเชื้อของประเทศไทยที่สุดเนาะในแล้วก็มีปริมาณเยอะประมาณนี้ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่แล้วเราสามารถหาได้ง่ายก็เลยเลือกที่จะใช้ข้าวมาเป็นตัวสเต็มเซลล์ค่ะ คก่อนหน้านี้อาจารย์มีงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับสารสกัดข้าวหมายถึงว่าเอาเข้าวเมล็ดข้าวธรรมดาค่ะแล้วก็มาสกัดเป็นสารสกัดแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องสอัอาง<ม>ก็พบว่าสารสกัดข้าวเนี่ยก็มีผลชะลอความชราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาอินดิวซ์ให้เป็ น, เ, ปนเซมเซลล์เนี่ยก็น่าจะมีฤทธิ์ดีกว่าประมาณ น, นี้ค่ะก็เลยเริ่มทาวิจัยตัวนี้ขึ้นมาค่ะ อืมค่ะพอเราบอกว่านอกจากข้าวข้าวอ ย, าอย่างที่คุยกันว่าข้าวทั้งบริโภคในประเทศส่งออกจานวนมาก อ, อ่แล้วในอนาคตจะหากว่างานวิจัยของอาจารย์ชิเนี้ยสามารถแบบว่าตอบรับปใปนเชิงพาณิชย์ได้ราคาก็สามารถ ช, ช่วยชาวนาได้อย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าข้าวนอกจากจะเอามาใช้บริโภค ก, ก็ยังใช้ทำทาในเรื่องของไอ้เซรัมชะลอชะลอการเกิดรอ้รอยนี่ถือว่าถ้าเกิดว่าเราซจาก ประเทศมันค่อนข้างแพงใช่ไ้มคะสารโดยโดยทั่วไปแล้วก็ก็ราคาค่อนข้างสูงอะค่ะเพราะว่ามีประชากรกลุ่มที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ฉลองความฉลาดค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งจริงแล้วราคามันก็มีหลากหลายเนาะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่คุณภาพอะค่ะนี้ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มที่จะเคลมเรื่องของสกินเซลล์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะราคาแพงหน่อยประมาณเนี้ยค่ะ ค่ะอาจารย์ขาทีนี้จะขออนุญาตถามอาจารย์ตรงนี้ค่ะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าได้นำข้าวเนี่ยโอเคแหละไปผสมกับเครื่องสําอางอาเอได้ว่าโรชั่นหรือว่าทรีทเมนต์บำรุงผิวเรามันก็ได้ผลดีทีนี้อยากถามอาจารย์ค่ะว่าการการนำเรียกว่าทวกสารหมายถึงว่าสารจากจากพืชอย่างข้าวเนี่ยค่ะไปทําเครื่องเครื<ม>่องสำอางทรีทเมนท์ทั่วไปกับสกัดเป็นสเตนเซลลเนี่ยารายละเอียดขั้นตอนมันมันต่างกันยังไงอ่ะค่ะ ถ้าเป็นทำตัวที่เป็นเซลล์ IL, ก็จะใช้เวลามากกว่าค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอามาเหนี่ยวนําให้เกิดเป็นแคลลัสแคลลัส <L ad> หรือเซลล์ IL, เนาะคือถ้าในเทคโนโลยีทางการเกษตรนะค่ะเขาจะเรียกว่าแคลลัสซึ่งเมื่อเหนี่ยวนําำแคลลัสจากชิ้นส่วนพืชที่มีการเจรือนะคะก็พอได้เป็นแคลลัสขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือเซลล์ ที่ถ้าเราเอาไปเลี้ยงต่อไปเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดไปเป็นพืชชนิดนั้นๆันได้ประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยได้คอนเซ็ปต์ว่าแคล้านเนี่ยก็คือเซลล์จากพืชเนาะซึ่งในทางต่างประเทศเนี่ยค่ะที่เขาขายเซลล์มาเนี่ยก็คือเอาตรง น, นี้นะคะคือเอาพืช อ, อาจจะเป็นส่วนยอดส่วนใบส่วนส่วนที่ยังสามารถจเจริญได้ดีอะค่ะจะสามารถเอามาเหนี่ยวนาให้เกิดเซลล์ได้ง่าย ถ้าเราเหนี่ยวน้ำให้เกิดเจมเซลยวในสภาวะที่เหมาะสมแล้วเราก็จะมีการทดสอบปริมาณสารและริ์ทางเครื่องจำอาร์นะคะว่าค ondition แ like บบไหนที่สามารถให้ริ์ที่ดีที่สุดคือข้อดีก็คือเราจะสามารถควบคุมปริมาณสารที่เ่อในแคลลาดได้ด้วยะคะ่ะแต่ถ้าเป็นในขึ้นืเนี่ยบางทีพอได้นาจากถ้าเป็นเมล็ดข้าวนะคะได้มาจากคนละฤดูกลาลหรือว่าคนละแหล่งกันเนี่ย จะค่อนข้างมีความแตกต่างของปริมาณสารสาคัญค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยค่ะนี่สอไปัญหากันค่ะค่ะก็คือก็คือกระบวนการมันมันละเอียดอ่อนมันยาวนานกว่ากันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะแบก็อยู่ในในขอบเขตที่ทำได้ค่ะอืออาจารย์พอจะไม่ทราบว่าเป็นความลบหรือเปล่านะคะ เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขบัตรอะไย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าขั้นตอนการสกัดเซลล์จากจมูกเข้ามีกระบวนการอย่างไรบ้างเอาที่อาจารย์สามารถอ่าเล่าให้ฟังได้นะคะค่ะจริงๆขั้นตอนที่ยากจะเป็นการเหี่ยวน้าให้เกิดแคลรัตมากกว่าคะ่ะเพราะว่าถ้าเราใช้สภาวะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจากจมูกเข้าเนี่ยคะ่ะก็จะเจริญไปเป็นส่วนยอดหรือส่วนล่าซึ่งไม่ใช่ส่วนแคลรัตเนาะ แต่สิ่งที่เราต้องการกิอส่วนแคลไลซ์ที่มีสารที่เราต้องการอยู่เยอะนะคะการสกัดเราก็ใช้หลักการสกัดทั่วไปนะคะเหมือนการสกัดสมุนไพรทั่วไปแต่ที่สำคัญเลยอของงานนี้น่าจะเป็นเรื่องของคอนดิชันที่เราใช้ในการทาให้เกิดปริมาณสารสำคัญหรือสารออกริ์ในปริมาณที่สูงมากกว่าค่ะอืม mm hmm. ค่ะ อนนาจารย์คะแล้วในส่วนของกระบวนการการส ก, กรสัดสเต็มเซลล์จากข้าวผลงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะ อ, อยู่ในขั้นตอนไหนนะคะแล้วก็ได้นำไปทดลองใช้แล้วหรือยังคะออตอนนี้เราจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะเนาเราได้ทุนจากสวกค่ะสวกะจะให้ทุนสองปีปีแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ เดี่ยงงามหรือหาคอนดิชันที่จะทำให้เกิดแชลซ์แล้วก็มีฤทธิ์ที่ดีพอที่จะนำไปใช้ในทางซึ่งสำอางเนี่ยค่ะเราก็จะมีการทดสอบเทียบกับพวกฝานสแตนดาดที่เราใช้อยู่ในทางซึ่งสำอางะคะ่ะว่าว่าสารสกัดของเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นงานในเสเ็จแรกนะคะหลังจากนั้นสเตจที่สองเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาสูตรที่ให้เนื้อ ผลิตภัณฑ์ที่อาสาสมัครปรินพอใจแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพในผิวผิวอาสาสมัครค่ะโดยการวัดค่าความชุ่มชื้นความยืดหยุนค่าสีผิวในอาสาสมัครโดยที่เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ใช้สารสกัดจเกต้นตัวนี้ค่ะงานก็เลยจ ด, ดเป็นสองอนุสิทธิบัตรคือส่วนของการทำให้เกิดทรัสแล้วก็ส่วนของสูตรำลักอะค่ะ ตอนนี้ก็มีสี่บริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปนะคะเขาก็ผลิตเป็นสินค้าของเขาค่ะค่ะอาจารย์อันนี้ขอถามเป็นความรู้อีกนิดนึงอะคะ่ะหลังจากที่เราได้สกัดสมุนอ่ามาเป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นสเป็นเซลใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะล้ว เ, เอาไปทำทายังไงคะกับกับพวก เครื่องสำอางหรือว่าเซรั่มชะลอาการเกิดรรอยอ่ะค่ะอ๋อก็คือเหมือนถ้า ย, ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเช่นวิตามินซีเนาะวิตามินซีเขาก็จะเอาไปใส่ในสูตรเครื่องสําอางโดยประมาณก็ความชข้มข้ น, นระดับหนึ่งนะคะทีนี้สารสกัดก็เหมือนกันค่ะเราก็จะเอาไปใส่ใน<อ>สูตรเอ่ซรั่มซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราไปซื้อเครื่องสําอางสักตัวนึ่งเนี่ยถ้าเราคลิก ด, ดูที่ ส่วนประกอบเนา ะ, ะมันก็จะมีสารอยู่หลายตัวในนั้นนะคะซึ่งค่ะส่วนใหญ่ในทางการตลาดหรือการเจเคเรมอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่หลักตัวด้วยเนาะตัวเซ็มเซลเราก็เปรียบเสมเือนเป็นวิตามินซีเนะะี่ยค่ะเราไปใส่ได้ในสูตรทั่วไปเลยค่ะอืค่ ะ, คะเพราะว่าเคยเคยใช้ใช้พวก สติมเม้นตพวกพวกเออ่เรียกว่าเซรั่มพวกนี้ยค่ะอาจารย์มันก็จะมีแบบว่าสเตมเซลลผสมแบบว่าเป็นเป็นโลชั่นทาทาผิวหน้ามาละกับอีกอันหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นแบบขวดเพียวๆเลยใช้แล้วต้องติด<อ>ให้หมดภายในแบบสามสี่วันอนะไรเงี้ยค่ะรูปร่างหน้าตาของเป็นอานนงเปล่าคะจ้ะจริงๆตัวสารส ก, กัดสเต็มเซลก็จะเป็นของเหลวนะคะถ้าเราจะทาลงไปบนผิวเลยเนี่ยก็ทาได้ค่ะ แต่ว่ามันก็จะสัวยางนิดน<ม>ึงค่ะ oh. ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปผสมค่ะเชื่อว่าตัวที่เมื่อกี้ที่บอกว่าใช้เป็นหลอ ด, ดเล็กๆเข้มข้นแล้วต้องใช้ภายในสามวันใช่หก็ผสมเหมือนกันค่ะแต่อาจจะอยู่ oh. ในปริมาณที่เข้มข้นสูงกว่าที่จะเป็นแบบใช้ได้สามเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะส่วนเซรั่มนี้ก็สามารถใช้ใช้ได้ทั้งทั้งได้สองแบบเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะใช่ค่ ะ, ค, ะคือคืออ่คือเวลาที่เรื่องบางเขาทำนะคะเขาก็จะดูก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนถ้าอายุเยอะหน่อยก็อาจจะผิวแห้งเขาก็อาจจะทําให้มันตัวสูตรชุ่มชื้อนิดนึงนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแต่ถ้าให้วัยรุ่นใช้เขาจะไม่ชอบอะไรที่เนืบหนักก็เลยจะต้องทําที่แบบ ใช้แล้วแห้งไวบางเบาอย่างนี้นค่ะแล้วก็ใส่เซรมเกือเข้าไปค่ะค่ะโอ้อาจารย์ขอ้อการั้ได้บอกคุณสมบัติอีกสักครั้งเนื้อค่ะสำหรับสเตนเซลที่สกัดมาจากสมุข้าวเนี่ยค่ะอ๋อก็จากการทดสอบในอาสาสมัครนะคะเราก็พบว่าเออเมื่ออาสาสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ไปโดยเทียบกับกลุ่มควบคุมนะคะกลุ่มควบคุมก็คือใช้ ดีเล่าเหมือนกันแต่ไม่มีฝาดสกัดเต็มเตีนะคะก็จะพบว่าความยุดหยุ่นความขาวความชุ่มชื้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อ่าริ้วรอยที่เราถ่ายรูปเราจะมีเครื่องมือสําหรับถ่ายรูปอาส า, าสมัคระคะ่ะริ้วรอยรอบดวงตาก็จะลดลงหรือปื้นขึ้นค่ะอืมค่ะลดริ้วรอยเป็นที่ ชื่นชอบนะคะของบรรดานหนุ่มสาวแล้วก็<า>ถือหน้าใ ส, ส, าสด้วยไหคะใส่เนียนด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะผิวหน้าก็จะใส่เนียนชึ้นค่ะอืมค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ขอถามเป็นข้อหนึ่งนิดนึงมีส่วนของการสกัดจะเป็นเซลล์จากสมองข้าวนะะี่ค่ะอย่างเช่นสกัดได้ได้ไ ด, ได้เรียกว่าได้ได้ฝาสกัดมาสิบมิล<ะ>สามสิบิลอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้ปริมาณ<ะ>ข้าวมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ก่อนจะได้มาสักสิบมิลหรือสามสิบิลประมาณนี้ Uh, จริงๆแล้วตัวแคลรัสเนี่ยค่ะมันจะได้เท่ากับปริมาณเมล็ดข้าวเลยค่ะน้ําหนักของเมล็ดข้าวที่ที่เราเริ่ม<อ>ต้นเนาะซึ่งพอเราได้แคลรัสรอบแรกอะค่ะเราจะสามารถเอาแคลรัสตัวนี้ไปเลี้ยงต่อได้อีกให้จเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นหมายถึงขยายปริมาณของแคลรัสเพิ่มขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถ อ, อมันไม่ขึ้นกับฤดูกาลนะคะสามารถทําทําได้เรื่อยๆค่ะตลอดงงค่ะใชาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของของของจมูกข้าวที่ว่าเนี่ยข้าวที่ว่าเนี่ยค่ะที่ที่เป็นวัตถุดิบนามาใช้เนี่ยต้องเป็นมีคุณสมบัติยังไงคะต้องเป็นข้าวใหม่ไม่ค้างปีหรือว่าใช้ได้ตลอดเลยค่ะควรควรจะเป็นข้าวใหม่ค่ะเราจะเอาตัวที่เป็นข้าวเปลือกมาเนาะที่ยังมีจมูกข้าวอยู่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามาเล็ด ข้าวที่ที่มีจมูกสมบูรณ์เนี่ยค่ะไปเพอะเลี้ยงก็จะได้ออกมาเป็นแคลลัสค่ะอืถ้าข้าวเก่าหน่อยก็จะได้เปอร์เซ็นต์น้อยค่ะน้อยค่ะมันมันอยู่ถ้าถ้าเกิดเป็นข้าวใหม่เอเรียกว่าสารกัดที่ได้มันก็จะจะไดคุณสมบัติดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะสารจริงๆตัวคุณสมบัติเราต้องควบคุมคุณภาพอยู่แล้วค่ะคือพอได้เป็นแคลลัสมาเนาะสมมุติว่าแคลลัสหนึ่ง หนึ่งกรัมเราก็จะเอามาสกัดแล้วก็ได้เป็นสมมติได้เป็นสารสกัดส่วนหนึ่งนะคะของแบบ ท, ที่หนึ่งพอครั้งที่สองเราทําแบบเดิมอีกแล้วเราก็จะเปรียบเทียบคุณสมบัติของสารสกัดของแบบ ท, ที่หนึ่งกับแบบ ท, ที่สองะคะ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าแบบ ท, ที่สองข้าวเก่าวแล้วเราได้ประสิทธิภาพลดลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดตัวนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของ สารสกัดเนี้ยค่ะเราสามารถควบคุมได้แต่ว่าเอข้าวใหม่เนี่ยจะจะทําให้ได้ปริมาณของสารสกัดมากกว่าค่ะอืมค่ะพอาแล้วไม่ควรพอจะนึกออกเพราะว่าอาจารย์จะต้องพอพสกัดมาเสร็จอาจารย์ก็ต้องแบบแบบมาควบคุมแบบเพื่อให้มันได้นึกว่าได้คุณภาพให้มันให้มันเท่ากันทุกชุกทุกหลอดนั่นะใช่ไหมคะใช่ค่ะ ซึ่งใหม่เก่ามันมันอาจจะไม่มีผลแต่มันหนึ่งตรงที่ เ, เรียกว่าได้ได้ได้ไ ด, ได้ปริมาณที่เยอะกว่าด้วยแบบแบบนี้นะะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ ะ, คะอาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของของการพัฒนาต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์นะคะหลังจากที่งานวิจัยของอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าตรง น, นี้ที่เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศแล้วก็มีมีฟิทแบ็กลับมาอย่างไรบ้างแล้วก็อาจารย์มีแนวทางในการที่จะพัฒนาเปในเชิงพาณิชย์อย่างไรบ้างคะตอนนี้ อตอนนี้ก็มีบริษัทที่ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็ก็ที่บอกไว้ดีว่ามีสี่บริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปซึ่งสี่บริษัทนี้ก็จ ะ, ะทำสารสกัดเซเลล์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในโรงงานของตัวเองหรือว่าบางบริษัทก็ทำสารสกัดขึ้นมา เพื่อขายให้โรงงานผลิตเครื่องสําอาง น, นําไปใช้อย่างเนี้ยค่ะแทนที่โรงงานผลิตเครื่องสําอางจะซื้อจากต่างประเทศเนาะก็สามารถซื้อในไทยได้มันก็จะประหยัดเวลาเรื่องของเวลาในการกว่าของจะมาอย่างเนี้ยค่ะกับราคาในการขนส่งค่ะออืค่ะก็อยากให้อาจารย์ย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในส่วนของคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของการนํา เรียกว่าสารสกัดจากสเต็มเซลล์จมูกข้าวเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยๆการที่จะสร้างการยอมรับหรือว่าความมั่นใจว่าอุ๊ยใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยมันสามารถแบบช่วยชะลอวัยหรือว่าหน้าขาวใสหรือว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าจากการนำเข้า่ามประเทศอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะอาจารย์ อยากให้อาจารย์ค่ะในฐานะเป็นผู้วิจัยอยากให้อาจารย์ได้อ่าได้คึก อ, อะไรกับผู้บริโภคหรือหรื อ, ร อ, รอผู้ที่ฟังอยู่ต้องมีความสนใจเพื่อสร้างสร้างสร้า ง, งความมั่นใจในในตัวอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วยอ่ะค่ะอ๋อค่ะก็สารสกัดจากเซนเซลข้าวนะคะก็จะมีปังงานสารสำคัญสูงกว่าสารสกัจากเมล็ดข้าวโดยเชลนเดียเนี่ ประมาณสามเท่านะคะไม่ว่าจะเป็นซีเลิกหรือว่าอะมิโนแอซิดกราฟาหรือพวกโคเอนไซม์ค่ะคือในตัวสารสกัดเส้นเดียวเนี่ยจะมีมากกว่าเมล็ดข้าวซึ่งเมล็ดข้าวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติด้านเครื่องกำลังอยู่แล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอใช้จะใช้ตัวที่เป็นเส้นเดียวแบบฟิตหรื อ, อ, อว่าความเร็วในการที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี้ยก็จะเร็วกว่าที่ใช้สารสกัดข้าวค่ะ ส่วนเรื่องของค่านิยมเนาะส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคจะนิยมเอาสารจากต่างประเทศมากกว่าค่ะแต่ก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งว่อาอาจารย์คิดว่าเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะสนใจใช้พืชไทยมากกว่าค่ะอาจารย์คิดว่าในอนาคตอผู้บริโภคก็น่าจะเชื่อมั่นนะคะผลงานที่มาจากงานวิจัยของงานวิจัยไทยค่ะ เพราะตอนนี้คนบริษัทที่เอาไปใช้ก็เริ่มจะมี r ร s p อน s กลับมาว่าผู้บริโภคชอบพอใจมากหรือว่าอยากให้อาจารย์ทำพืชอื่นที่เป็นพืชไทยตัว อ, อื่นอื่นอีนอกอ่างี้ค่ะนอกจากที่เป็นข่าวค่ะนี่ค่ะก็ทายที่สุดวา่าจะมั่นใจต้องลองใช้ค่ะ โ <C> e <ak> okay, อเคค่ะอ <c oughs> เราจะมีโอกาสในการทดลองใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่ไหนอย่างไรคะหรือว่าใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้แล้วมีข้อสองสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะเห็นทุรกร้างหน้าตาผลิตภัณฑ์หรืออะไรคานองเนี้ยคะ่ะ <c oughs> อืมก็จริงๆเรื่องเก่ยวกมีบริษัทเราถ่ายทอดไปสี่บริษัทเนาะถ้าอาจารย์บอกบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็จะดูไปอยู่ที่ top เพราะฉะนั้นสิดอกมาที่อาจารย์ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกต่ออีกทีดีกว่า ว่าเขาอยากได้ผลผลิตในกลุ่มไหนเพราะว่าแต่ละบริษัทที่รับถ่ายทอดไปค่ะจะจะเอาไปทำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันค่ะอืมค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อผ่านไปทางอาจารย์ก่อนนะคะที่เบอร์ใจคะอาจารย์เบอร์นี้ก็ได้ค่ะหรืออีเมลก็ได้ค่ะ Email n i s a k o i n f u e d o t h ยาวไปไหมคะ ก็มีมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำให้อีกทีหนึ่งนิตากอนนะคะคือ n i s a k o r n s m f u a c t h นะคะก็จะเป็นอ่าเมลของอาจารย์รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของนุญาตให้ทางรายการนะคะสามสิบแปดเก้า สี่สามศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอาจจะฟังเราทั้งสองคนแล้วมีข้อคำถามอยู่ในใจอยากจะสอบถามก็สามารถติดต่อไดตรงอาจารย์ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กันสกัดสเ็นเซลลจากพืชผักผลไม้ชนิด อ, นอื่นๆเพื่ อ, อเรียกว่า เป็นการส่งเสริมนะคะเป็นการส่งเสริมผลผลิตจากประเทศไทยของเราด้วยแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเราที่ใช้เครื่องสำอางใช้โลชั่นทาผิวเนี่ย จ่ายเงินในราคาไม่แพงแต่ได้ความพึงพอใจกลับมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ uh. ที่ uh. มาพูดคุดกันในวันนี้ในรายการ Innovation for Life ค่ะวันนี้เวลาของรายการบล็อตลล่า น, นะคะดิฉันคุณกนิททองนาวพร้อมด้วยอาจารย์ดรนิสากรแฝดวันค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ในสํานักวิทยาศาสตร์เครื่องสแปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ต้องขอลาคุคณผู้ฟังไปได้วยเวลาถึงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life